การปฏิบัติสมาธิถึงระดับไหนจะทราบได้อย่างไรว่าได้ละวางแล้วในขั้นต่างๆเช่นขั้นละอกุศลจิตละวางความยินดีน่ะละอ่าเอ่อ ล่าสุดแต่นี่ได้แค่สมาธินี่นี่ก็ตรวจดูในตรงนี้เลย 40 กว่าวิธีตรงก็อินทรีย์ภาวนาชั้น หรือชั่วโมง 2 ชั่วโมงหรือว่าครภิตาเดียวก็เรียกว่าอินทรีย์โพนาชั่วโมง 2 ชั่วโมงโยมทิ้งได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น นะแล้วๆพระสูตรเพราะฉะนั้นถ้าเช่นสังโยชน์ 10 พระโสดาบันละสังโยชน์ได้ 3 อนาคามิละได้อีก 2 รวม 5 ที่เหลือพระแต่คน